สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในข้อคิดจากพระธรรมสุภาษิตครั้งที่สามเรื่องจุดประสงค์ของพระธรรมสุภาษิตพี่น้องครับเมื่อเราอ่านพระธรรมสุภาษิตนะครับหลายหลายท่านก็จะมีความเข้าใจและมีความจดจำเป็นข้อข้อไปแต่ว่าเมื่อเรามาดูวัตถุประสงค์ภาพรวมของสุภาษิตแล้วผู้แต่งสุภาษิตนั้น ก็มีจุดประสงค์อย่างน้อยสองอย่างนะครับสองประการด้วยกันประการแรกก็คือเพื่อจะให้คนอ่านนั้นมีทักษะทางด้านศิลธรรมมีจริยธรรมและคุณธรรมมีทักษะครับทักษะแปลว่าความเชี่ยวชาญหรือความช่ำชองการที่คนเราอ่านสุภาษิตมากๆบ่อยๆก็จะมีความช่ำชองมีทักษะในเรื่อง จริยธรรมในเชิงศิลธรรมในเชิงคุณธรรมและวัตถุประการที่สองก็คือว่าเพื่อให้เกิดการอย่างรู้ทางความคิดการอย่างรู้ทางความคิดนั้นก็เกิดความเรียกว่าภาษาชาวบ้านเรียกว่าปิ๊งปิ๊งในทางความคิดขึ้นมา <ul ain> เพราะว่าเมื่อเราปิ๊งในทางความคิดนั้นความคิดจะส่งผลต่อทัศนคติและทัศนคตินั้นก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจการตัดสินใจก็จะส่งผลต่อ ความประพฤติหรือการปฏิบัติที่ทำออกมาด้วยเหตุนี้เองนะครับการอ่านสุภาษิตนั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเช่นเดียวกันเช่นเรื่องของระเบียบวินัยอ่านสุภาษิตนั้นเราจะเห็นคุณค่าของระเบียบวินัยครับว่าคุณค่าของระเบียบวินัยนั้นเทียบเท่ากับชีวิตเลยทีเดียวครับพี่น้องครับเวลาที่เราอ่านสุภาษิตนะครับเราจะต้องอ่านและไขครวนและย่อยแต่อย่าลืมว่าสุภาษิตนั้นไม่ใช่พระสัญญาพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าสุภาษิตนั้น ไม่ใช่พระสัญญาและคําว่า proverb หรือสุภาษิตในภาษาฮีบรูใช้คําว่ามาชาลมาชาลแปลว่าปกครองครับการอ่านสุภาษิตนั้นช่วยปกครองตัวเองปกครองชีวิตปกครองครอบครัวปกครองบ้านเมืองได้ด้วยพียงครับสุภาษิตนั้นเป็นคํากล่าวที่เฉลียวฉลาดนะครับเป็นคํากล่าวที่มีสติปัญญาเป็นคํากล่าวที่ทําให้คนอ่านก็มีปัญญาดังนั้นเอง ในข้อที่สองถึงข้อที่สี่ของสุภาษิตบทที่หนึ่งนะครับโปรดฟังปจนะของพระเจ้าเพื่อให้บรรลุปัญญาและมีวิ น, นัยเข้าใจถ้อยคําแห่งความรอบรู้รับคําสั่งสอนในเรื่องการกระทําที่ฉลาดในเรื่องความชอบธรรมความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมเพื่อให้ความอย่างรู้แก่คนเขาให้ความรู้และความเฉลียวฉลาดแก่คนหนุ่มพี่น้องครับ ข้อที่สองถึงข้อที่สี่นั้นมีถ้อยคําที่สําคัญอยู่แปดคำด้วยกันครับเริ่มต้นก็คือคําว่าปัญญาคําที่สองก็คือวิัยคําที่สามก็คือความเข้าใจคําที่สี่ก็คือความชอบธรรมและความที่ห้าความยุติธรรมความที่หกความเที่ยงธรรมคําที่เจ็ดความอย่างรู้คําที่แปดความเฉลียวฉลาดเพียงครับนี่คือวัตถุประสงค์ประการที่สอง ของสุภาษิตนะครับก็คือการที่เราจะต้องเข้าใจคำต่างๆเหล่านี้ครับนะและคำต่างๆเหล่านี้จะนำไปถึงการไขปิิศนาในข้อที่หกครับปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราทางด้านความคิดหรือประสบการณ์ที่เข้ามามันก็ทำให้คนเรานั้นมีคำถามมากมายนะครับนี่คือจุด ป, ประสงค์ที่สองของพระธรรมข้อนี้ พระธรรมนี้นะครับพระธรรมสุภาษิตนี้ก็คือการไขปิจศนาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะครับซึ่งต้องใช้เลยครับซึ่งต้องใช้ปัญญาใช้วินัยใช้ความเข้าใจใช้ความชอบธรรมใช้ความยุติธรรมใช้ความเที่ยงธรรมใช้การอย่างรู้และความเฉลียวฉลาดนะครับปริศนาใดก็ตามในชีวิตที่ไม่ชัดเจนและไม่ค่อยมีคำตอบหรือหาคาตอบยาก ต้องการการให้ความหมายการแปลความเนี่ยครับเป็นจุดประสงค์อันที่สองก็คือให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านความคิดครับเพื่อนครับในข้อที่สองถึงข้อที่หกนั้นเราก็มีเป้าหมายย่อยๆนะครับว่าพระเจ้าไนดะ้ให้สุภาษิตแก่เราเพื่อที่จะให้เกิดความคุ้นเคยสนิทสนมกับปัญญาและวินัยครับนะครับให้บรรลุให้สนิทสนม นะครับให้ปัญญาเนี่ยและวินัยเนี่ยช่วยเราครับทาแนะนำที่ดีนะครับคาสอนที่ดีปัญญาก็จะช่วยเราเพราะฉะนั้นเราต้องทำความคุ้นเคยสนิทสนมกับปัญญาและคาสั่งสอนและวินยัยอันต่อไปก็คือว่าจะให้เราเข้าใจถึงคํากล่าวที่เป็นปัญญานะครับหมายความว่าย่างครับนอกจากคุ้นเคยนะครับ เราจะต้องแสวงหาปัญญาและเข้าใจปัญญาใหม่ๆเพราะฉะนั้นมีคำพูด ว, ว่าอยู่จนแก่ก็เรียนจนแก่ดังนั้นเองจะไม่มีใครเลิกที่จะไม่เรียนครับเลิกหรือจะไม่มีใครหยุดเรียนประการต่อไปก็คือพระเจ้ายังคงต้องการให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นทางด้านศีลธรรมและจะริยธรรม นะครับและสิ่งสำคัญก็คือว่าผู้ที่รับปัญญานะครับจะต้องตั้งใจเพียงครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เราต้องมองเราจะต้องให้ความสำคัญและมองข้ามไม่ได้นะครับแต่ที่สาคัญในเช้าวันนี้ก็มีคำว่าให้ฟังคำว่าฟังนะครับเป็นคำกริยาที่พบบ่อยมาก เมื่อเราพูดถึงปัญญาคําว่าฟังเนี่ยมีความหมายว่าเป็นการกระ ท, ทําที่ที่กระฉับกระเฉงนะครับเป็น proactive ครับน่าแปลกนะครับพี่น้องเมื่อเราพูดถึงคําว่าฟังเมื่อเราพูดถึงคําว่าฟังนั้นเราจะมีความรู้สึกว่าฟังมันต้องอยู่เฉยเฉยใช่ไหมครับมันเหมือนกับ passive มันเหมือนกับต้องฟังคนที่เขาพูดอยู่มันเหมือนกับว่า เรากำลังเป็นผู้ถูกกระทาก็คือต้องฟังยกอย่างเช่นมีคนที่พูดนะครับเราก็ต้องฟังมีคนที่เขากำลังปรับความเข้าใจกับเราเราก็ต้องฟังนะครับอันนี้คือสิ่งที่ว่าการฟังนั้นดูเหมือนว่ามันเป็นพาสซีฟก็คือผู้ถูกกระทาแต่จริงๆแล้วนะครับการฟังเนี่ยเป็นเรื่องแอคทีฟมากครับเพราะเป็นความตั้งใจ และเป็นการสื่อสารว่าเราตั้งใจที่จะฟังเราตั้งใจที่จะเข้าใจความรู้สึกความคิดของเขาเพราะฉะนั้นมนุษย์ไม่ค่อยได้ฟังนะครับเพราะว่าไม่เข้าใจเรื่องนี้มนุษย์คิดว่าถ้าเราเถียงไปเถียงกันมานะครับคนที่พูดคำสุดท้ายจะเป็นคนชนะซึ่งไม่จริงครับคนที่พูดคำสุดท้ายอาจจะเป็นคนแพ้ก็ได้เพียงครับในถ้อยคา หรือในพระเจ้ของพระเจ้านั้นเราจะต้องฟังครับต้องคิดต้องใค่ครวนต้องศึกษาต้องปฏิบัติความจริงของพระเจ้าเท่านั้นถึงจะสามารถก่อให้เกิดสิ่งนั้นๆได้และจริงๆแล้วคําว่าฟังในปปสุปัสสน์นั้นหมายถึงการทําตามด้วยที่เราบอกว่าเชื่อและฟังคําคําว่าฟังนั้นมีความหมายว่าต้องทําตามนั่นหมายถึงการเชื่อฟังโอบิเดียนครับ ด้วยเหตุ น, นี้ทําให้เราทั้งหลายเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์นะครับเราจะต้องเข้าใจว่าพระธรรมสุภาษิตนั้นไม่ได้ตั้งใจให้ถูกอ่านในฐานะหนังสือที่ละเอียดถี่ถ้วนแห่งการกระทําที่ถูกต้องแต่ในฐานะตัวอย่างที่เลือกสรรไว้แห่งปัญญานะครับในฐานะเราต้องอ่านว่าในฐานะตัวอย่างที่เลือกสรรไว้ให้เป็นบทเรียนของเรานะครับให้เรารู้จักความจริงให้เรามีปัญญาผมชอบในข้อที่สี่นะครับ บอกว่าเพื่อให้ความอย่างรู้แก่คนเขาให้ความรู้และความฉเฉลียวฉลาดแก่คนหนุ่มภาษาอังกฤษนะครับใช้คำว่าอะไรครับใช้คำว่า to and teach young people how to be resourceful teach young people how to be resourceful resourceful แปลว่าเป็นคนที่มีอะไรอะไรนะครับเต็มไปด้วยแหล่งทรัพยากรถามว่าทำไมครับ ทำไมคนหนุ่มหนุ่มสาวสาวนะครับจะต้องการให้ตัวเองมีเรียกว่ารีซอสก l มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพนะครับมีประสิทธิภาพเนี่ยครับรีูคือเป็นคนที่เติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยจะช่วยคนอื่นได้จะเป็นแหล่งทรัพยากรให้กับคนอื่นเนี่ยครับแหล่งทรัพยากรนั้นมาจากอะไรครับมาจากความรู้และสติปัญญานะครับจะต้องฉลาด และมิ่งกว่านั้นครับไม่เพียงแต่ความคิดนะครับเราจะต้องฉลาดทางด้านศีลธรรมด้วยฉลาดทางด้านจริยธรรมฉลาดทางด้านคุณธรรมอันนี้นะครับเป็นวัตถุประสงค์ของพระธรรมสุภาษิตพี่น้องครับเราอ่านพระธรรมสุภาษิตนะครับอย่าลืมครับผมจะขอสรุปในเช้าวันนี้ก็คือจะต้องหนึ่งเน้นเรื่องจริยธรรมคุณธรรมนะครับสองเน้นเรื่องความคิดเพื่อให้ความคิดนั้นจะก่อเกิดปัญญาต่อไปอาเมน